สิกขาบทที่13ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดฐันเรื่องพิกษุนีรูปหนึ่งเดือสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเฉตะวันอรารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพิกษุนีรูปหนึ่งไม่มีผ้ารัดฐันเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขณะที่เธอเดินอยู่บนถนนลมบ้าหมูพัด เปิดสังคาติเวกขึ้นคนทั้งหลายส่งเสียงว่าทันและท้องของแม่เจ้าสวยจริงภิกษุณีนั้นถูกคนทั้งหลายเ ย, ยาะเย้ยจึงเกอ้อเขินครั้นเธอไปถึงที่อยู่จึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าไฉนภิกษุณีไม่มีารัทันจึงเข้าไปในโ่บ้านเล่าครั้นแล้ว